สภาพเดิมของหมู่บ้านมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังถนนที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านจนถึงวัดเป็นถนนลูกรังเล็กๆแคบมากหลวงตาจะคอยดูแลค่อยๆทำถนนทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังบุญที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายร่วมบริจาคชาวบ้านทนดูหลวงตาเดินบนคนามารับบาดในหมู่บ้านไม่ได้จึงได้ร่วมใจถวายที่ดินสร้างถนนเข้าวัดให้หลวงตาสะดวกขึ้น หลวงตาว่าจ้างให้ตาอินคนขับรถหล้อมาซ่อมแซมถนนที่ฝนตกชะเป็นหลุมเป็นบ่อเสียตาอินพร้อมด้วยคนงานที่มีอยู่เพียงสองคนจึงมีหน้าที่ขนหินลูกรังมาถมตามหลุมตามบ่อช่วยกันกลบหลุมเกลี่ยดินและหินให้เรียบท่านหลวงปู่รีและท่านหลวงปู่บุญมีมีหน้าที่คอยดูแลถนนให้อยู่ในสภาพดีแทนหลวงตาขณะที่ท่านไม่อยู่ฝนตกหนักทีไร ทั้งสองท่านต้องออกมาสำรวจถนนทุกครั้งถนนลูกรังจากหมู่บ้านดงเข่งเข้ามาทะลุหมู่บ้านช่วงแรกก็มีการลาดยางในหมู่บ้านก่อนหลังจากนั้นค่อยลาดยางขยายไปทีละนิดจนไปถึงหน้าวัดส่วนอื่นที่ผ่านรอบหมู่บ้านยังไม่ได้ลาดยางต้องรอไปอีกหน่อยจึงได้ทำหมู่บ้านตาที่เจริญขึ้นอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะหลวงตามีคนศรัทธาเข้ามากราบมากขึ้นทุกๆวัน ผู้คนในหมู่บ้านมีอาชีพเพิ่มขึ้นอาชีพขายกับข้าวใส่บาตรทุกเช้าสร้างรายได้ให้กับแต่ละครอบครัวตั้งแต่หน้าปากทางถนนใหญ่มุ่งเข้าสู่วัดป่าบ้านตาดร้านค้าที่เคยเป็นกระต๊อบเล็กๆ ก, ก็กลายเป็นตึก 2-3 ถึงชั้นชุมชนใหญ่ขึ้นขยายออกไปทุกทิศมีเด็กเล็กๆ เ, เข้าไยเรียนมากขึ้นในโรงเรียนที่อยู่กลางหมู่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเป็นบ้านของหลวงตา ลูกหลานเลนของท่านอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนตำแพงวัดที่เห็นอยู่นี้สร้างโดยมีหลวงปู่บุญมีเป็นผู้นำเมื่อวันที่22เมษายน2519เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2520ใช้แรงงานของชาวบ้านตาดทั้งนั้นล้อมรอบเขตวัด163ไร่22ตารางวาสลาไม้หลังใหญ่ที่ปัจจุบันยกสูงขึ้น ข้างบนยังต้องถูด้วยกาบมะพร้าวอยู่เหมือนเมื่อ30ถึง40ปีก่อนไม่กวาดบนศาลาก็เป็นไม่กวาดพิเศษที่มีตัวกวาดที่ยาวที่สุดในโลกไม้ด้ามจับจะยาวกว่าปกติใช้กวาดพื้นที่ถูกขัดเงาด้วยกาบมะพร้าวแล้ววัดทุกวัดในสายพระป่าจะมีไม่กวาดอ่อนและไม่กวาดตาดเป็นสั ญ, ญลักษณ์เมื่อก่อนพระมีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้เน้นที่พอจะช่วยพระในการทางานก็ไม่มี ผมจึงต้องช่วยงานวัดเกือบทุกส่วนที่พอจะทำได้ตั้งแต่เล็กจนโตและจนถึงบัดนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งครอบครัวเลยที่ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหลวงตาหรือพระอื่นๆในวัดทุกองโรงน้ำร้อนก็ยังอยู่เหมือนเมื่อแรกตั้งวัดเพียงแต่ย้ายกองฟืนด้านหลังออกให้เหลือสั้นลงโปรงขึ้นกว่าเดิม ปี๊บยังอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมบ่ายก็เอาปี๊บใส่รถเข็นลงไปใส่น้ำเอาไปล้างทำความสะอาดและเติมน้ำในตุ่มไกลๆออกไปหลังวัดพระเนรที่ยังหนุ่มยังแน่นต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แม้ว่าได้เดินท่อน้ำไปตามที่ต่างๆแล้วก็ตามบางแห่งยังต้องอาศัยน้ำจากรถเข็นนี้เหมือนเดิม โรงครัวสมัยก่อนก็มีสภาพเหมือนศาลาทั่วไปโลง่โลงๆไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพราะสมัยก่อนคนไม่มากมายเหมือนทุกวันนี้มีทางเดินศาลายกพื้นขึ้นมาทางขวามือเป็นที่ที่โยมของแม่ของหลวงตาและคุณแม่น้อมใช้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเช้าไม่มีตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งไม่มีที่เก็บเนื้อสัตว์ต้องรวนเนื้อให้แห้งเพื่อป้องกันการบูดเน่าเสียรวนไว้แล้วก็เก็บเข้าตู้สังกสี ที่แดัดแปลงเป็นที่ใส่ของที่รวนแล้วทำเป็นชั้นๆยกสูงขึ้นเพื่อกันหนูมแมลงและสุนัขเพราะขนาดนั้นกำแพงวัดยังไม่ได้เป็นกำแพงคอนกรีตเช่นปัจจุบันบางส่วนมีรั้วลดน้ำก้านหลวมๆจึงมีสัตว์ต่างๆเข้ามาเพ่นพ่านในวัดอยู่เสมอกุฏิพระยกสูงจากพื้นดินข้างล่างเก็บเศษไม้กระดานเยอะแยะไปหมดเพื่อใช้ทางานก่อสร้างกระจุกกระจิกทั่วไป